นัตถิกัมมังสมะผลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่จังหวัด ท่านอากนครศรีธรรมราชครับเมื่อเอ่ยนาม จนประชาชนทั่วไปพร้อมใจกัน อยากจะให้ท่านประสาทพรให้เป็นผู้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทั้งเป็นที่หวาดกลัวยำเกรงเกรงใน เกิดเมื่อวันอังคารขึ้น 10 ค่ำเดือน 4 ปีจอ 16 มีนาคมพุทธศักราช 2417 ที่บ้านโคกกระทือหมู่ที่ 10 ตำบลช้างกลางตำบลช้างกลาง พออายุได้ 10 ขวบผู้เป็น 13 ปีโยมแม่ครั้นอายุประมาณ 14-15 ปี ท่านต้องประสบเหตุการณ์สำคัญในชีวิตโดยครั้ง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเท้าของท่าน เป็นสามเณรแล้วก็เรียนวิชาอยู่กับพระอาจารย์ทองที่วัดวังม่วงหลังจากเป็น แล้วก็พระอาจารย์ทองปฐุมมสุวรรณโววัด ในปี พ.ศ. 2441 จึงได้ไป 2443 จึงได้ จนกระทั่งมีความรู้แก่ 2445 ซึ่งการมาอยู่ๆ จนกระทั่งมีความรู้เป็นที่เยี่ยมยอดหาใครเปรียบได้ยากฝึกผลทบทวนวิชาการอยู่กับพระอาจารย์กลายมี ในปีพ.ศ. 2448 พระอาจารย์กลายก็ครั้ง แต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสในฐานะที่ว่านี้ในปี พ.ศ. 2448 นั้นเมื่อได้มาอยู่เป็นเจ้าอาวาส เพราะท่านคล้ายได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมาจากการแนะซึ่งท่านก็ได้นํามาฝึกหัดปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างเชี่ยวชาญชํานาญจนเป็นที่กล่าวขานของประชา ท่านสามารถให้การแนะนำในข้อติดขัดนั้นจนเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มชัดหมดสงสัยทุกครั้งไปส่วนในด้านพิธีกรรมทางศาสนาก็เช่นกัน มีความแยบยนต์ในกุษโลบายมีความเหมาะสมกับคนทุกระดับจิตแม่แต่บุคคลผู้มีจิตใจแข็งแกร่งเยียมหานในระดับเจ้าพ่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหัวเบอร์เจ้าพ่อนักเรงโตนักเรงหัวไม้หรือแม่แต่มหาโจนที่เยี่ยมโหดไม่เครงกลัวบาปกรรม ไม่กลัวก� Betty MASH ยอมกลับตัวกลับใจวาง ในพระพุทธศาสนาแล้วก็สาธารณประโยชน์ของสังคมท่านๆหลายแห่งด้วยกันเริ่มแต่สร้างสถูปเจดีย์ ที่่ำเขาขมิ้นบ้านนาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โคกไม้แดงตำบลช้างกลาง ที่วัดพุทธาวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากนั้นท่าน และที่ไม่ปรากฏบันทึกหูทะลุถึงฉวางวัดจันดีถนนสายจันดีเขาธงเป็นต้น และทำสำเร็จมาแล้วซึ่งสิ่ง อันว่าด้วยฤทธาปาฏิหาริย์ที่เกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่กล้าด้วยอภิญญาญาณด้วยคุณแห่งวิชาอาคมพุทธเวท ในวันหนึ่งมีผู้มาขอน้ำมนต์จากท่านมากมาย แต่ถ้าท่านเอาปลอดผสมลงไป ถือกันว่าเป็นผ้ายันต์มงคลที่มีอานุภาพไม่ยิ่งย่อนกว่าชานมากเลยซ้ํายังสามารถป้อง ของจิตที่ทรงพลังอํานาจในธรรมเนียมๆได้อย่างมหัศจรรย์พลึก พ่อแก้วขาดต้นไม้ใหญ่ก็ขาดโค่นลงมาด้วยอย่าง เพราะท่านใคร 65 ปีได้กระทํากิจอันเป็น 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เวลา สิริ 8 รอบ 96 ปีบวช 75 พรรษาแม้ว่าพ่อท่านคล้ายจะละ